ธรรมชาดกแผ่นที่สลำดับที่ส0โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่29กันยายน2548มีชื่อเรื่องว่าเมียพานป่าได้เป็นพระโสดาบันวันในฝน ตกเป็นวันที่สามแล้วมั้งเนี่ยจะหมดหน้าฝนละ แ, แต่ฝนก็ยังตกอยู่ทั้งหมดเราก็แต่งเอาไม่ได้แต่งอะไรบ้างมาเกิดมาในโลกนะั้มันหลายๆอย่างได้เกินอยากจะให้ได้อย่างใจเราทุกอย่างมันก็เป็นไปไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยไม่ใช่เป็นไปได้ยาก เป็นไปไม่ได้น้อยนักที่จะถูกใจของเราจริงเป็นคระวาต์ญาติโยมกอปรารถนาอีกอย่างหนึง่งเป็นพระปรารถนาอีกอย่างหนึง่งเยเป็นราชการเป็นพ่อค้าแต่ละคนมีความปรารถนาถึงจะต้องการปรารถนาความสุขเหมือนกันแต่ว่าในสิ่งที่ต้องการนั้นมันก็แปกแตกต่างกันไปอีก ในสาขาใหญ่เพราะงั้นแต่เพราะนั้นพระที่จะบวชในพระพุทธศาสนาก่อนที่จะเข้ามาบวชตกลงว่าจะเข้ามาบวชญาตพี่น้องพ่อแม่มอบหมายที่จะเข้ามาบวชเป็นพระเป็นเนนอย่างบันติตะสมมาเนนสุมาณะสมัมมาเนนสังจิตจะสมัมมาเนน สมณีที่เขาบวชตุดตุดแล้วแต่เป็นลูกเศรษฐีทั้งนั้นลูกชายคนเดียวอีกต่างหากแต่ก่อนที่จะเข้ามาบวชภาษาลิบุตรท่านก็ถามสมณนนีบวชเข้ามาแล้วเนี่ยเป็นต้องอยู่คนเดียวนะปรารถนาจะให้ได้อย่างใจทุกอย่างเป็นไปไม่ได้นะการครองชีพเพราะเราเป็นนักบวช เรเลี้ยงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นเขาให้อย่างไรเราก็ต้องทานอย่างนั้นเราก็ต้องฉันอย่างนั้นเราก็ต้องรับอย่างนั้นอย่าให้ได้อย่างใจเราทุกอย่างมันไม่ได้เพราะไม่ใช่เราหาเองเราเลี้ยงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นแล้วก็ควรทําตัวให้เขาเลี้ยงง่ายอีกไม่ใช่เขาให้อันหนึ่งตัวเองต้องการอันหนึ่งเขาให้อันหนึ่งต้องค้ารอันหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้น ไม่ใช่อาหารตามสั่งลักษณะอย่างนั้นน่ะแอบปราตะนาของเย็นอาจจะได้ของร้อนอยากจะกินน้ำแข็งเนี่ยเขาอาจจะเอาน้ําต้มมาให้แบบนั้นลักษณะอย่างนั้นน่ะต้องการน้ําต้มเขาก็เอาน้ําแข็งมาให้ลักษณะอย่างนั้นน่อต้องการเปรี้ยวได้จืดต้องจานจืดได้เค็มลักษณะอย่างนั้นคือไม่ได้อย่างใจคือเป็นผู้ขอ เดินไปตามตระกูลต่างๆเดินบิณฑบาตตามตระกูลต่างๆเดินไปแล้วเขาก็ใส่ให้อย่างไงก็รับอย่างนั้นเราจะไปเรียกร้องว่าอาหารนี่ต่องการอาหารนี่ดีอาหารนี่มันดีอาหารนี่ถูกกระโรคอาหารนี้ไม่ถูกกระเพาอาหารนี่ทานได้อาหารนี่ทานไม่ได้พูดอย่างนั้นไม่ได้เขาให้อย่างไรต้องรับอย่างนั้นอันนี้คือการเป็นอยู่ของสมณะของพระ แล้วกการเป็นอยู่ก็อยู่ตามลําพังนอนองค์เดียวใช้ผ้าที่เขาถวายมาตามปีตามเกิดเราจะไปเลือกสรรอยู่ในตลาดไม่ได้ถ้าหากว่าเธอเสียสละอย่างนี้ได้เธอทําทตัวอย่างนี้ได้เธอก็จะบวชได้แต่ถ้าหากว่าเธอทําตัวอย่างนี้ไม่ได้เธอก็จะบวชไม่ได้ เพราะชีวิตของพระเป็นอยู่อย่างนี้อันนี้คือก่อนที่จะบวชท่านพระสารีบุตรหรือพระเถระผู้ใหญ่ท่านจะทำความเข้าใจอย่างนั้นเสียก่อนก่อนที่จะให้บวชแต่ผู้ที่จะบวชท่านก็มีศรัทธาเต็มเปลี่ยมอยู่แล้วมีศรัทธาแน่วแน่อยู่แล้วมีความมุ่งมั่นอยู่แล้วบุญยามบารมีของท่านในอดีตชาติพร้อมอยู่แล้วท่านไม่แคร์ ยังไงก็ได้เพระาะฉะนั้นท่านจึงเข้ามาบวชพอเข้ามาบวชแล้วก็ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างที่อุปชาอาจารย์แนะนําสั่งสอนจากนั้นท่านก็ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลเป็นอริยบุคคลเป็นทอดทอดอย่างพวกเราได้ศึกษาประวัติของท่านนะทั้งสาวกทั้งสาวิกา ทั้งสมมาเนนทั้งพระภิกษุทั้งอุบาสกอุบาสิกาในยุคนั้นสมัยนั้นสรุปแล้วก็คือกรรมเป็นมาตามบุญกรรมในอดีตชาติเป็นเครื่องเกือ้อกูลห น, นุนถ้าเราจะพูดในปัจจุบันเราก็พูดในเห็นในปัจจุบันแต่ตามจริงมันเกี่ยวเนื่องมาจากอดีตเหมือนกับ พวกเราจะได้กินข้าวอย่างนะี้มันเป็นมาอย่างไงมันจึงเป็นข้าวเหนียวหูกเป็นข้าวสวยอยู่ในบาตของเรามันก็ต้องมีเหตุซะก่อนก่อนที่จะมีข้าวอย่างนี้เขาก็ต้องปักดําต้องทําไร่ทํานามีพิธีกรรมจนมาถึงเป็ดข้าวสุกอันนี้ก็เหมือนกันก่อนที่ท่านจะได้สําเร็จมรรคสําเร็จผลเป็นอริยะบุคคลไม่ใช่ว่าท่านจะได้ โดดเด่ขึ้นมาก็ได้เป็นเอาเลยไม่ใช่อย่างนั้นถ้าสืบดูประวัติของแต่ละท่านแต่ละองค์แล้วไม่ใช่ย่อยเหมือนกันท่านสู้มาจนทนทุกทรมานมามากต่อมากอย่างพวกเราท่านทั้งหลายสู้อย่างทุกวันนี้นะเราหวังอะไรหวังอนาคตขอให้ได้สำเร็จมั่กสำเร็จผลเร็วที่สุดให้ได้เป็นอริยะบุคคล อย่างน้อยพระโสดาบันเป็นอริยาบุคคลขั้นต้นจะตัดท้นทางย่นท้นทางเข้าไม่ให้ไม่ให้เวียนไหวตายเกิดแต่ถ้าว่าเรายังไม่ถึงขั้นนั้นเรายังไม่แน่อาจจะวกบุนเวียนสูงสู ง, สงต่ําๆ ำ, ำลุ่มๆุ ม, มดอนดอ น, ดอนถึงชาตินี้ก็เถอะถึงเราจะทําดีขนาดไหนสั่งสมบุญกุศลขนาดไหนแต่ความแปรเปลี่ยน กรรมที่การกระทำนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกสถานการณ์อย่างที่นายพลที่ว่าผู้เมียได้สำเร็จพระโสดาบันตัวเองไปเกิดเป็นคนชนบทไปหาดักสัตว์กินอยู่ในป่าแต่ก่อนบุปกรรมของท่านเป็นยังไงผลี่สุดพระพุทธเจ้าเขาได้เห็นอุปนิสัย ไปเทศโปรดพอ่อแม่ลูกลูกชายเจ็ดลูกสะพ้ายเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่สิบห้าแม่สิบหกพอ่อรวมแล้วเป็นสิบหชีวิตในอดีตชาติเป็นยังไงพวกพูใ้ใเจ้าต้อรู้อดีตชาติของพวกนี้เป็นยังไงทำไมชาตินี้ท่านทั้งสิบหกคนจึงได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันในอดีตชาติ ในอดีตชาติที่แล้วท่านเป็นเศรษฐีเขาสร้างพระบรมสารีรีกธาตุของพระมหากัสปะเพราะเขาสร้างเจดีย์พระมหากัสปะขึ้นมาเสร็จแล้วเขาก็ประกาศหาเศรษฐีผู้ที่บรรจุท่าว่าใครลงทุนบรรจุให้เข้า ใครเป็นพู้มีทุนมากเสียสละมากจะให้คนนั้นเป็นคนบรรจุเพราะคงจะเจดีบางส่วนก็คงจะยังไม่เสร็จน่ะคงจะต้องปรับปรุงแก้ไขอีกเศรษฐีบ้านนอกก็เห็นว่าอือเราก็มีเงินอยู่10โกดเราควรจะให้ไปโกดหนึ่งเพื่อจะได้เป็นหัวหน้าเพื่อจะได้เป็นหัวหน้าเศรษฐีคนนี้ก็เลยให้ไปโกดหนึ่ง คือสิบล้านแต่ที่คนในเมืองเขาก็บอกว่าเห็นไ้ยเศรษฐีบ้านนอกเขาจึงมีความก้าวหน้าเขาอยากจะเป็นหัวหน้าเศรษฐีในเมืองของเราไม่รู้มีเท่าไหร่มิถิเก็บอย่างเดียวไม่รู้จักทาบุญเลยเศรษฐีในเมืองก็กลัวน้อยหน้าทในเมื่อเศรษฐีบ้านนอกเขาให้โกรธหนึ่งแล้วสิบล้านเศรษฐีในเมืองเขาเลยเอาถมเข้าไป สองโกดยี่สิบล้านเพื่อจะเป็นหัวหน้าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระมหากัส ป, ปะพระพุทธเจ้ากัส ป, ปะเศรษฐีบ้านนอกเขียนอย่างนั้นอีกให้ไปอีกสามล้านผลี่สุดไล่ไปไล่มาจนถึงเศรษฐีบ้านนอกให้ไปจนถึงแปดล้าน เศรษฐีในเมืองให้จนถึงเก้าเกล้านให้จนถึง9กโกรธมั้นเก้าโกรกับเกสล้านแล้วงั้นแต่ทีนี้เศรษฐีบ้านนอกเงินมัตตโกลมีอยู่มีอยู่10โกดท่านเองทีนี้ก็ยอมแพ้บอกถ้าเราเอาให้อีกโกดนี้เศรษฐีนี่ก็เขาคงจะให้อีกสองขึ้นไปอีกเราคงสู้ไม่ไหว หมดเงินอยาาให้คนรู้แล้วว่าเราหมดเงินแล้วเงินเอาล่ะเรายอมแพ้ก็เลยจ่ายไปแปดโกดเศรษฐีในเมืองเขาเก้าโกด เ, เขาให้เก้าโกดแต่นี้ก็เศรษฐีบ้านนอกเนี่ยเมื่อเป็นผู้ยอมแพ้แล้วบัดเนี่ยหมดเงินแล้วไม่สู้ต่อไปแล้วมันเงะไม่ลงขันต่อไปแล้วก็เลยพาลูกพาเมีย พ่อแม่แล้วก็ลูกชายเจดคนลูกสะใภ้เจคนรวมแล้วเป็นส6หคนเข้าไปมอบตัวเป็นทาตรับใช้เจดีย์ขอมอบกายถวายชีวิตเป็นทาดรับใช้พระเจดีย์ของพระพุทธเจ้ากัสสปะจนชีวิตจะหาไม่จะดูแลปนิบัติทุกอย่างทำความสะอาดทุกอย่างเป็นทาดรับใช้พระเจดีย์ของพระพุทธเจ้ากัสสปะ ตั้งแต่ับันนี้เป็นต้นไปประชาชนทั้งหลายเขาเห็นเออหาได้ยากเป็นผู้เสียสะละแล้วยังเป็นผู้เสียสละกระทั่งชีวิตจิตใจด้วยที่จะยอมเสียสละเป็นท่านรับใช้พระเจดีเนี่ยคนอย่างนี้หาได้ยากเอา้าคนอย่างนี้นะควรเป็นหัวหน้าเข้ากัเลยยกเศรษฐีบ้านนอกให้เป็นหัวหน้าอีกทั้งที่เศรษฐีในเมืองให้ทุนมากกว่านะ แต่ว่าอันนี้ทั้งกายทั้งทั้งเงินด้วยทั้งกายทั้งใจด้วยว่า ง, งั้นทุกอย่างมอบกายถวายชีวิตต่อพระเจดีเขาก็เลยะยกให้เศรษฐีบ้านนอกเป็นผู้บรรจุพระพรหมสารีด้วยกราถาจากนั้นท่านก็นดูแลปนนิบัติทุกอย่างในพระเจดีของพระพุทธเจ้ากัสปะพอตายจากชาตินั้นตายจากชาตินั้นขึ้นไปไปอยู่บนสวรรค์นะ เพราะอันกสง์รูแลพุทธเจดี JD. พอลงมาเกิดผู้เมียนะ่ไปไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีแต่ผู้ผัวนะีไไ่ไปพลัดไปยังไงไปพลัดหลงไปยังไงไปเกิดเป็นลูกนายพรานอยู่บ้านนอกอะแน่มันเป็นอย่างนั้นไปอีกด้กลมมันใครมองไม่เห็นไอ้ตูดข้างหลังมันเป็นยังไงเออพอไปเกิดเป็นนายพรานเสร็จแล้วก็พอเป็นหนุ่มขึ้นมากเบรรทุกพวกเนื้อพวก สัตว์ออกมาขายในเมืองพอมาเห็นแทนีลูกเศรษฐีเนี่ยอยู่ในเมืองไปเห็นชายหนุ่มคนนี้ก็คงจะปิ๊งเหมือนกันเถอะเออฮก็เลยวิ่งตามหาอุบายตามพวกหนุ่มคนนี้ไปเพราะมันอดีตชาตาิจากนั้นก็เลย ต่อมาก็ไปอยู่ในชนบทได้ลูกถึงพวกลูกทั้งหลายแลวก็ไปเกิดกับตาแก่อีกเหมือนกันนะไอ้พวกที่ดูแลปฏิบัติพระเจดีผู้ได้เจ้ากัตริคนหนึ่งแต่ผู้หญิงคนนี้นะ เ, ดเด็กสาวคนนีนะ้ที่เป็นลูกเศรษฐีเนี่ยนะได้ไปฟังเทศพระผู้ได้เจ้าอยู่ในเมืองในกรุงสวัรค์ถีอยู่ในเมือ ง, ง, นะอองได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันตอนนี้ไปอยู่กับพรานพรานป่า สามีเป็นพรานหาหญิงสัตว์เลี้ยงชีพอันนี้พระโสดาบันพระโสดาบันมีสินห้าโดยอัตโนมัติที่ไม่ได้รับสินเหมือนงันไม่ได้รับสินแต่เป็นสินอัตโนมัติคือสินพระโสดาบันเทนี้ไปอยู่กับพรานจะทำยังไงเวลาผัวจะไปป่าต้องการจัดราอาวุธที่จะไปดักสัตว์ที่จะไปยิงสัตว์ ผ, ผู้ก็บอกเมียเออเอาหน้าไม้มาให้หน่อยสิทีนี้จะทำยังไงในฐานะที่เราเป็นเมียเขาเป็นแม่บ้านเขาจะขัดขืนก่อไ่ไปละไปหยิบหน้าเอาให้เอาใ ห, าให้ในใจพระโสดาบันท่านบอกว่าที่ข้าเอาให้นี้นะข้ามาให้แก่เอาไปยิงสัตว์นะข้าเอาให้แก่เท่านั้นในใจ นี่แหละอันนี้คือเป็นกุสโลบายน่าคิดอีกเหมือนกันนะคล้ายๆกับว่าใจของท่านไม่มีเลยที่จะให้เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายแต่ว่าผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าขอมาท่านก็ให้ด้วยความจำเป็นจำใจข้าไม่ได้ให้แก่เอาไปฆ่าสัตตัดชีวิตนะข้าเอาให้แก่ด้วยความที่ว่าเธอเป็นเจ้านายเหนือหัวลักษณะอย่างนั้นนะ แต่นี่ผู้ผัวเขาไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตามที่นั้นน่ะแต่เมียไม่ยินดีอันนี้ก็คือพระในยุคสมัยนั้นท่านก็ถามพระพุทธเจ้าเหมือนกันว่าทำไมนางเป็นพระโสดาบันแล้วทำไมจึงเอาสัตตราอาวุธให้สามีมันจะไม่เป็นบาปหรือพระพุทธเจ้าบอกว่าในเมื่อมือไม่มีแผลถึงจะจับยาพิษ ยาพิษก็เข้าไม่สู่เข้าสู่มือนั้นไม่ได้เพราะมือนั้นไม่มีแผลถ้ามือมีแผลแล้วก็นั่นแหละอันนี้ก็คื อ, ค อ, อท่านมีกิเลสอยู่มันก็เข้าได้แต่นี้ถ้าเขาว่าไม่มีกิเลสมันเข้าไม่ได้ความชั่วเข้าไม่ได้นี่แหละจากนั้นมาก็พกระพุทธองค์เห็นอุปนิสัยพ่อแม่ลูกเต็มที่แล้ว พระพุทธองค์ก็ไปบินไปองค์เดียวเลยไปอยู่ในป่าไปเห็นก็ไปเห็นแล้วแล้วคือพวกบ่วงเนี่ยที่ดักสัตว์เนี่ยพระพุทธองค์เดินไปก็ไปปลดปลดปดปลดไปพอปดไปก็ไปนั่งอยู่นู่นสุดท้ายนายนพรานที่ไปดักสัตว์เอา้ามันใครมาปดบ่วงของเราเนี่ยวะไม่เห็นสัตว์ถูกสักตัวเนี่ยวะวันนี้ เดินไปเดินไปไปเห็นพระพุทธเจ้านั่งอยู่โอ้สมณะหัวโลนี่เองมาทํากับข้านี่ทํากับข้าได้อย่างนี่ ย, ยงังเนียเพราะว่านี่ยโมโหจัดเนะกงธนูขึ้นไปก็จะยิงเลยงั้นเถอะยิงพระพุทธเจ้าแต่ปล่อยลูกศรไม่ออกพระพุทธเจ้าใช้อิทธิฤทธิ์เหมืงั้ น, นเถอะถ้าเป็นอย่างเราเนี่ะก็คงจะทะลุแล้วพุ่งทะลุเหมืงั้ น, นเถอะแต่นี่ นายพานกงธนูขึ้นไปปล่อยสายธนูไม่ออกปล่อยลูกธนูไม่ออกแต่เอาลงก็ไม่ได้เอาขึ้นก็ไม่ได้เด้วยอิทธิฤทธิ์ของพระพุธทธเจ้าทั้งก็ก่งอยู่อย่างนั้นเลยตอนนี้โก่งธนูอยู่ย ง, งั้นเหนื่อยก็เหนื่อยเอาลงก็ไม่ได้เพราะอิทธิฤทธิ์พระพุทธเจ้าไม่เอาลงเอาลงไม่ได้แต่ในแม่ก็เลยถามเ อ, อ้ ลูกพ่อสู้เจ้าไปสายแล้วไม่เห็นมาคงจะมีอะไรมั่งก็พอไปในป่าอาจจะมีเสือมีงูมีอะไรก็ได้ใช่ไหมไปดูสิตามดูสิพ่อสูเจ้าไปสายไหนไหมลูกชายก็ไปอีกเจ็ดคนเดินเดินเดินตามไปแถวแนวไปพอไปเห็นพ่อกําลังโกง่งธนูอยู่น้าลายไหลแล้ยเหนื่อยอย่างั้นะแต่ปล่อยธนูไม่ออกพวกนี่บอโอ้ส ม, มณะนี่แต่ที่ทําให้พ่อพ่อของเรากําลังจะยิงอยู่เนี่ย พวกลูกชายกำลังไัยสกันใช่ยกธนูขึ้นมาจะ ย, ยิงพระพุทธเจ้าอย่อ่อยธนูไม่ออกอีกว่หนะเออเป็นแปดคนทั้งพ่อะนะที่แม่กับลูกสะพ้ยเ อ, อ๊ะทำไมออลูกชายกับพ่อทำไมไม่เห็นมามีอะไรวะไปพวกเราไปตามดูพอพ่ อ, พ อ, พ อ, พอแม่ไปเห็นเห็นพระพุทธเจ้านั่งพวกนี้กาลัง เล็งธนูไปใส่อยู่งั้นเถอะเอาธนูยิงไปใส่จะยิงไปใส่ผู้แม่ไปเห็นนะหนโอ้ยพวกท่านทั้งหลายทำอย่างนี้ได้ยังไงอันนั้นพ่อของข้าชุดเจ้าจะไปยิงได้ยังไงยุทพ่อว่าเถอะนะโอ้โหเราไม่รู้ น, นี่คือพ่อตาของเรานะอันนี้โอ้ไม่ใช่รู้เราไม่รู้อันนี้อั น, นคือตาคุณตาของเรานะก็เลยสํานึกผิดได้ลดธนูทันทียังองพอรดธนูเสร็จแล้ว พ่อแม่เป็นพระโส ด, ดาบันแล้วเนี่อเขาไปนั่งคุกเข่าคารเข้าไปกราบเล ย, เยว่างั้นเถอะขอโทษขออภัย พ, พระพุทธองค์กรีฑาททให้ฟังพระเทพให้ฟังก็ได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันทั้งหมดอแม่ก็ได้เป็นพระโสดาบันอยู่แล้วมีแต่พ่อได้สดําเร็จลูกชายได้สดําเร็จลูกสะพ้ยได้สดําเร็จพระโสดาบันทั้งหมดพร้อมกันถ้าจะว่าไปแล้ว บุปกรรมเก่าของท่านในอดีตท่านเป็นผู้รับใช้ในพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้ากัจสปับสร้างสัส่งสมบุญกุศลมหาศาลแต่ทว่าการเกิดพิกล็อกนี่แหละว่ากรรมตัวนี้นะน่ากลัวทีเดียวถึงใครจะทำกรรมสิ่งไหนไว้ก็ตามถ้าหากว่ายังไม่ได้สำเร็จพระสูดาบันขึ้นมาพร้อมที่จะ แปลเปลี่ยนไปได้ทุกอย่างแต่ทําไมนางที่เป็นพัญญาท่านเป็นพระโสดาบันแล้วทํำไมจึงได้เป็นได้ไปเป็นเมียของนายพานแต่ถึงยังไงก็ตามถ้าท่านเป็นพระโสดาบันโสดาบันแล้วนะี่ยในชาตินี้นะท่านก็ไม่ทําความชั่วถึงยังไงท่านก็ต้องไปสู่สวรรค์ของท่านวันยังค่านางคนนั้นนะ่ะ แต่นิกรรมของสามีหรือลูกเพิ่งมาได้ทีหลังนี่ได้สำเร็จเป็นพะสูดาบันเป็นอริยะบุคคลขั้นต้น<ม>เพราะนั้นพวกเราสั่งสมบรรมัลมีทุกวี่ทุกวัน<ม>เดินโยกรมนั่งสมาธิภาวนาไม่รู้ยุงไม่รู้ลิไม่รู้ลิ้ลน <c oughs> กัดกินเราอยู่ในปา่ารงพงไพ่ <c oughs> ก็เพื่อปราธนาความสุขทางด้าน จ, จิตใจ ให้ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลต่อไปในอนาคตถ้าเป็นไปได้ถ้าว่ามีความหมั่นขยันอดทนก็พยายามทำให้พบนิชาตินี้ให้ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลได้ถ้าว่าเรามีความมุ่งมั่นจริงๆมีความพยายามในจิตในใจไม่เหลือวิสัยที่พระพุทธเจ้าท่านบอกตรัดเอาไว้แล้วแต่ถ้าว่าพวกเราประมาท ก็อย่างที่เล่านิทานเมื่อวานนี่นะถึงจะพระอินจะมาทานายว่าท่านจะเป็นฝ่ายชนะแต่ว่าตัวเองเกิดความประมาทไม่ได้สนใจไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขมันก็อย่างนั้นน่ะเหมือนคณักกีฬาทําไปหาโหนหมอโหนหมอทายทานายทายทักเดียวทีมของท่านอาจจะชนะแต่หย่อนในการซ้อมหย่อนในการดูแลหย่อนในการปรับปรุงแก้ไข แล้วจะชนะเขาได้ยังไงนักมวยก็เหมือนกันคขนนี่แหละจะเป็นฝ่ายชนะแน่ละครนี่หมอโหนชั้นเอกทํานายแล้วแต่ตัวเองไม่สนใจตัวเองปล่อยปะละเลยไม่ได้สนใจมันก็แพ้วันยังค่ํานั่นเหมือนเราจะสอบได้เราจะสอบได้แน่แน่โหนหมอดูเขาดูแล้วดวงเฮงจริงๆได้จริงๆแต่เราขี้เกียจ ไม่ได้สนใจถึงจะได้ก็ได้คะแนนแบบไม่ดีเพ้อเพอตกอีกต่างหากเพราะเหตุไรเพราะประมาทไม่เตรียมพร้อมอันนี้ก็เหมือนกันแ่ะถ้าว่าพวกเราเตรียมพร้อมถึงจะงจะไม่ชนะแต่พวกเราเตรียมพร้อมอาจจะเป็นฝ่ายชนะได้อันนี้ก็เหมือนกันการปฏิบัติจิตตภาวนาของพวกเราทันทั้งหลาย ทางว่าพวกเรามีความหมั่นขยันพยายามเร่งความภาคความเพียรขึ้นความสำเร็จมีโอกาส อ, าอย่างที่พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านพาประพฤติปฏิบัติมามีโอกาสาไม่ครั้งใดก็ต้องครั้งหนึ่งอย่างน้อยก็ยกระดับตัวเองให้สูงขึ้นมันไม่อยู่กับที่ละถ้าเรามีความพยายามมีความมุ่งมั่นอยู่ เนี่ยวันนี้ได้พูดเกี่ยวกับการเกิดมาการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเนีทั้งที่สั่งสมบุญกุศลไว้ในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปะเกิดมาภพนิชชาตินี้ยังแปลเปลี่ยนเป็นถึงนายพรานได้เพราะฉะนั้นชีวิตถ้าว่ายังไม่ถึงขั้นพระโสดาบันเมื่อไหร่ชีวิตของพวกเรายังไม่แน่นอนพร้อมที่จะพันแปรไปลงต่ําได้ ง่ายๆเหมือนกันเพราะฉนั้นอย่าประมาทควรสั่งควรสั่งสมบุญกุศลเอาไว้แต่ถึงยังไงก็ไม่เสียหายที่ท่านได้เป็นท่านรับใช้พระพุทธเจ้าก็จะปะรางวัลอันมหาศาลก็คือท่านได้สําเร็จพระสูดาบันแต่ว่าบาปกรรมที่ท่านได้ทํานั้นท่านไม่ได้พูดเอาไว้ว่าท่านได้ทํากรรมเอาอันไหนไว้ในอดีตท่านจึงได้ไปเป็นนายพรานอยู่ในป่าอย่างนั้นก็คงจะมีบาปกรรม บางอย่างที่จะผันแปรดวงวิญญาณของท่านให้ไปตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นแต่ท่านยังมีกรรมดีนะพระพุทธเจ้ายังไปโปรดได้สำเร็จมรรคสาเร็จผลแต่ปานนี้ท่านคงจะได้สำเร็จมรรคสาเร็จผลนะพวกเราก็นําเอาตัวอย่างมาพูดสู่กันฟังเพื่อเป็นแนวทางที่จะได้ปรับปรุงแก้ไขกายว่าจาใจของเราให้เป็นบุคคลที่ดีขึ้น เป็นระยะบุคคลตามแนวแถวท่านที่ได้สำเร็จมานะต่อนนี้ไปรับพร